สักครู่พวกเราก็ได้กล่าวข้อความว่าทำชะไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดกับเราได้ข้อความ น, นี้เราจริงจังนะกับมันแค่ไหนนะหรือว่าสวดไปนะ แบบนกแก้วตัวขุนทองหรือว่าบางคนก็อาจจะสวดไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวคือสวดไปตามความเคยชินถ้าเราจริงจังกับข้อความนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยนะคำถามนะ ที่ว่าทำชะไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เนี่ยเป็นคำถามสำคัญมากนะเพราะว่ามันทำให้เกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นมานในโลกนี้ น, นี่เป็นคำถามที่ผุดขึ้นมาในใจของเจ้าชาศสิทัตถะเห็นคนแก่เห็นคน ป่วยแล้วเห็นคนตายก็รู้สึกมันสะเทือนเข้าไปถึงข้างในนะว่าคนเราจะต้องเจอแบบนี้กันทุกคนหรือนะแล้วก็พอได้เห็น น, ะนักบวชนะในวันรุ่งขึ้นก็ทำให้ เกิดคำถามขึ้นมาว่าให้การทำความทุกข์ให้หมดสิ้นไปนีนะ่มันน่าจะเป็นไปได้นะแต่จะทำอย่างไรนะที่จริงสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะได้เห็นนะมันก็เป็นแค่ความทุกข์ใหญ่ๆนะ มันมีความทุกข์อีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ได้ปรากฏให้พระองค์เห็นนะในเหตุการณ์คราวนั้นนะก็คือความพัดพรากสูญเสียนะหลายคนตอนที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยได้สัมผัสกับความแก่ความเจ็บเท่าไหร่ เพราะว่ายัางหนุ่มยังสาวนะแต่พอเจอเหตุการณ์บางอย่างเข้าเนี่ยก็มันก็สะท้านสะเทือนนะไปถึงใจเช่นคนรักนะตายจากไปเป็นเช่นอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นพี่เป็นน้องอย่างเช่นพอสูญเสียพ่อสูญเสียแม่ไปเนี่ยนะก็ มันเจ็บปวดมากนะเศร้าโศกเสียใจอาจจะมีคําถามขึ้นมาในใจว่าโอ้เกิดมาแล้วนี่ต้องเจอกับความสูญเสียแบบนี้นี่มันมันหนักนะทำไมเราต้องมาเกิดมาแล้วต้องมาเจอแบบนี้ด้วยนี้คือความทุกข์ที่เราทุกคนต้องเจอนะอย่างที่เราพึ่งสวนเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีความ แก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเท่านั้นนะเราต้องสูญเสียนะของรักของชอบใจด้วยนะคนรักหลายคนยังไม่รู้สึกถึงความแก่แล้วก็ยังไม่ได้เจอความเจ็บไข้จริงจรงจังๆส่วนความตายนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะยังยังมาไม่ยังไม่มาหรอกแต่ก็เจอนะ ความสูญเสียพัดพรากเนี่ยใหญ่หลวงมากนอันนี้แหละนะก็คื อ, อสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราคราวนี้เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะท่านได้มีคำถามนี้ขึ้นมาว่าจะทำอย่างไรนะจึงจะทำความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ท่านก็เลยตัดสินใจออกบวชนะ ทิ้งครอบครัวทิ้งปราสาทราชวังเพราะว่าท่านจริงจังกับคำถามนี้มากนะไม่ใช่แค่นึกเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันเลือนหายไปนะแต่ว่าท่านก็ตั้งใจจริงแล้วก็ลงมือทำอจึงเรียกว่าเป็นคาถามที่สำคัญมากนะซึ่งไม่ใช่แค่เปลี่ยนชีวิตเจ้าชายสิทธัตถนะเท่านั้นแต่ว่าเปลี่ยน โลกทั้งโลกเลยทีเดียวนะเรียกว่านี่เป็นคำถามเปลี่ยนโลกนะเราเนี่ยอาจจะไม่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนโลกนะอย่างพระพุทธเจ้าได้แต่ว่าเราสามารถจะเปลี่ยนชีวิตของเราได้ถ้าเราเริ่มที่จะถามอย่างนี้คำถามนี้จริงจังนะถ้าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ถามนะคำถามนี้ อาจจะเป็นเพราะว่ากำลังเพลิดเพลินกับความสุขนะยังหนุ่มอย่างสาวยังประสบความสำเร็จความเจริญคิดแต่ว่าทำยังไงถึงจ ะ, ะให้สุขมากกว่านี้มีเงินเดือนให้มากขึ้นมีตำแหน่งสูงขึ้นนะมีรถมีบ้านนะพวกนั้นคือาไงจะรวยนะทำไงถึงจะประสบความสำเร็จในการงาน ทำไงจึงประสบความสําเร็จในความรักเนะี่ยส่วนใหญ่ก็ถามอย่างนี้มากกว่าแล้วคำถามเหล่านี้มันก็เปลี่ยนชีวิตได้เหมือนกันนะแต่เปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งเปลี่ยนไปสู่ทางแห่งความทุกข์ก็ได้แล้วก็มักจะทุกข์มากด้วยแล้วพอไม่สําเร็จก็โกรธแค้นนะ ตัดพ่อตาว่าน้อยเนื้อต่ำใจอันนี้ที่จริงก็คือความทุกข์นะแต่ว่าก็ไปโทษนะไปโทษคนอื่นนะว่าทำให้ฉันทุกข์เขาต้องเปลี่ยนแปลงเขาต้องพูดดีกับฉันเขาต้องมาเอ า, เอาใจฉันนะเขาต้องมารักฉัน หรือเขาต้องซื้ อ, อโทรศัพท์มือถือใหนะ้ฉันถึงจะหายทุกข์นะเด็กหลายคนก็คิดแบบนี้นะแม่ไม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้ก็เสียใจแล้วคิดว่าความทุกข์ของฉันจะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อใครต่อใครทำดีกับฉันหรือว่าสนองความต้องการของฉันพอไม่ได้ก็เสียใจน้อยเนื้อต่าใจ เด็กบางคนพ่อแม่ไม่ซื้อโทรศัพท์มือถือใหนะ้ก็น้อยเนื้อต่ำใจนะแขวนคอตายเยนะหรือว่าเพราอกหักนะก็ขับแค้นใจน้อยเนื้อต่ำใจก็โดดตึกตายอันนี้เพราะเขานะไปคิดว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยนะเป็นเพราะคนอื่น หลายคนมักจะบ่นตัดพ้อว่าทําไมเขาไม่เข้าใจฉันแต่ก็ไม่ค่อยได้ถามตัวเองว่าแล้วเราเข้าใจเขาหรื อ, อยังเขาไม่เข้าใจฉัน <S <S เขาไม่เข้าใจฉันน้อยเนือต่าใจนีแต่ไม่เคยถามตัวเองเลยว่าแล้ ว, วเราเข้าใจเขาหรือเปล่าคนที่มักคนที่พูดแบบนี้เนี่ย ก็มักจะไม่เข้าใจคนอื่นฉันหลายคนก็ตัดเพราะว่าแม่ไม่เข้าใจฉันพ่อไม่เข้าใจฉันนะคนที่พูดแบบนี้เนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเข้าใจพ่อแม่ด้วยท่านทําดีกับเราหลายอย่างแต่ก็ไม่เคยซาบซึ้งหรือว่าตระหนักเลยนะพอท่านทําอะไรไม่ถูกใจเราสักอย่างนี้เราก็ ตัดพอแล้วว่าพ่อไม่รักเราแม่ไม่รักเราไม่เข้าใจเราท่านทำความดีให้กับเราหมื่นอย่างนะแต่ว่าอาจจะ พ, พลาดพลั้งแค่หนึ่งอย่างทำดีหมื่นอย่างแต่ว่าเรามองไม่เห็นแต่ว่าเรากลับไปจดจำนะไอ้ความผิดพลาดหรือความไม่ถูกใจแค่หนึ่งอย่างเสร็จ แ, แล้วก็มาตัดพอต่อว่าหลายคนก็ มันจะตัดเพ้อว่านะทำไมเจ้านายนะไม่พูดดีกับฉันทำไมเจ้านายไม่เป็นธรรมกับฉันทำไมรถติดนะทำไมฝนฟ้ามันปั่นป่วนปนปวนแปรแบบนีนะ้แต่ไม่ค่อยถามตัวเองว่าเออแล้วทำไมเราต้องทุกข์ด้วยนะทำไมเราต้องกดแค้นนะที่เจ้านายทํากับเราอย่างนั้น ทำไมเราต้องหุดหดนะที่รถติดทำไมเราต้องหุดหงิดที่ดินฟ้าอากาศแปรปรวนนะคำถามของเราส่วนใหญ่มันออกไปนอกตัวแทนที่เราจะถามว่าทำไมเจ้านายไม่ทำดีกับชั้นนะทำเราน่จะถามาเออทำไมเราต้องโกรธต้องเป็นทุกข์กับการกระทําของเขาด้วย แทนที่เราจะบน่นโวยวายว่าทำไมรถติดแบบนี้เราน่าจะถามตัวเองมากกว่าว่าทำไมจึงต้องหงุดหงิดที่รถติดนะแทนที่จะโทษ ด, ดินฟ้าอากาศว่าทำให้เราเป็นทุกข์น่าถามว่าเออแล้วทำไมเราต้องอขุนเคืองกับฝนฟ้าอากาศด้วย แทนที่จะถามว่าทําไมเขาพูดกับเราแบบนี้เพื่อนนะทําไมเพื่อนพูดกับเราแบบนี้เรื่องถาว่าทําไมเราต้องน้อย อ, อกน้อยใจนะกับคําพูดของเพื่อนด้วยคือ <l iving> ถ้าเราถามอย่างหลังเนี่ยนะ <l iving> ความคิดเราเนี네่ยจิตใจเราจะเปลี่ยนเลยนะเราจะเห็นว่าเออเราไม่น่าโ ง, ง่เลยนะรถติด อากาศแปรปรวนทำไมเราต้องเป็นทุกข์ด้วยแล้วมันจะเลิกบ่นเลยนะเพราะาได้เห็นความโง่ของตัวเองนะแล้วก็ได้เห็นว่าที่จริงความทุกข์มันเกิดจากเราเองมากกว่าหรือเกิดจากการตั้งคําถามที่ไม่ถูกต้องนะตั้งคําถามไม่ถูกต้องนี่มันทําให้ทุกข์นะ แต่ถ้าตั้งคำถามถูกนี่ทําให้หายทุกข์ได้หลายคนพอเพราะว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะเลือดเป็นโรคร้ายนะก็จะบน่นตีโพยตีพายทำไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นแต่ถ้าเราลองถามหมาว่าทํำไมจะเป็นชั้นไม่ได้เนี่ยเพราะว่าใครๆคก็เป็นกันนะพวกเรานี่เราทุกคนเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่รู้จักคนที่ เป็นมะเร็งทั้งนั้นแหละไม่ใช่รู้จักแค่คนเดียวจรู้จักหลายคนหรือแม่ก็รู้จักคนที่ตายเพราะมะเร็งนะไม่ใช่แค่คนเดียวหลายคนเป็นเพื่อนบางเป็นญาติบ้างเผลอๆเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องแล้วทำไมเราจะเป็นไม่ได้นะถ้าเราตั้งคาถามนี่มันจะหยุดบ่นเลยนะหยุดวอยวายเราก็จะให้มันเป็นธรรมดา ไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่ชะตากรรมลงโทษเราคนเราเนี่ยถ้ารู้จักตั้งคำถามให้ถูกเนี่ยนะมันมันเปลี่ยนจิตใจเราได้มันเปลี่ยนช่วยของเราได้แตนที่จะมัวหาเงินหาทองแสวงาหาความร่ารวยเออเราลองมาตั้งคำถามดูว่าทำไงจะทำความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจเราได้ คำถามนี้มันจะเพ่งเล็งมาที่ตัวเองความทุกข์อยู่ที่ใจเราอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นเวลามีทุกข์เนี่ยเรามักจะโทษคนอื่นนะว่าทําให้เราทุกข์เป็นเพราะเขาไม่เข้าใจเรานะเป็นเพราะเขาไม่พูดดีกับเราแต่ที่จริงอย่าว่าแต่เข้าใจเขาให้มากขึ้นนะที่มันจะช่วยได้ อย่างเช่นที่เมื er> ่อก really ี้บอกว่าเนี่ยทําไมเขาไม่เข้าใจเราถ้าเราถามว่าเออแล้วเราเข้าใจเขาหรือเปล่าเนี่ยมันทําให้เราหยุดบนเพราะทำให้รู้พบว่าเออเราก็ไม่ตัดจากเขาแล้วยิ่งท่ามาถามใหม่ว่าแล้วเราเข้าใจตัวเราเองหรือยังเอาแต่บนว่าเนี่ยเขาไม่เข้าใจเราแล้วถามใจตัวเองเถอะว่าเราเข้าใจตัวเราเองแล้วหรือยังถ้า หาคำตอบจริงๆก็จะพบว่าเรายังไม่เข้าใจตัวเราเองเท่าไหร่เลยนะทำไมอารมณ์เราแปรปวนแบบนี้นะทำไมทั้งที่ไม่น่าโกรธทำไมนถึงโกรธนะเนีย่ยเราจะพบว่ามันมีหลายอย่างนะที่เกิดขึ้นกับตัวเราทั้งๆ ท, ที่มันไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเกิด อารณมหลายอย่างที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใจของเราแต่มันก็เกิดขึ้นซึ่งทำให้เราเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเรารู้จักตัวเราเองหรือเปล่าเราเรียกร้องใครต่อใครมารู้ใจเราแลวเรารู้ใจตัวเราเองไหมเวลาเราเวลาเรา ทำาน่นทำนี่แล้วใจลอยเนี่ยนะเรารู้ทันใจเราไหมว่าใจมันลอยไปโน่นไปนี่แล้วเราปล่อยให้ใจลอยไปเราจมหายเข้าไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเรารู้ใจตัวเองนะถ้าเรารู้ใจตัวเองเราก็จะเห็นว่าเนี่ยใจมันกำลังหลงไปในอดีตนะไปจมอยู่กับเรื่องเก่าเมาหมก เมื่อรู้ใจเนี่ยมันจะถอนใจออกมานะจากความเศร้าจากเหตุการณ์เหล่านั้นเราปล่อยใจให้มัวหนักอกหนักใจกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงตอนนั้นเรารู้ใจตัวเองไหมเพราะถ้าเรารู้ใจตัวเองเราจะไม่ปล่อยใจให้ไปวิตกกังวลกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงกลุ้หมหรอกกุ้มใจในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่เป็นเพราะเราไม่รู้ใจตัวเองนะเราลืมใจนะเราปล่อยใจตกหล่นหล่นหายไปในอดีตบ้างในอนาคตบ้างเราปล่อยใจให้ตกหล่นหายนะที่เรียกว่าใจหายเนี่ย น, นะใจหายมันไม่ใช่หมายความว่าเจออะไรที่ตกใจและใจหายเท่านั้นนะแต่ว่าจะหมายถึงการที่ลืมลืมใจใจมันก็หล่นหายไป หล่นหายไปในความฟุ้งซ่านในความเศร้ า, ใ น, า, ราในความน้อยเนื้อต่ำใจในความวิตกกังวลถ้าเรารู้ใจตัวเองเนี่ยเราจะปล่อยใจให้หล่นหายก็ไปได้ยังไงเพราะนั้นเนี่ยนะไอ้ที่ไปบ่นว่าคือตัดเพราะว่าเขาไม่รู้ใจเราเนี่ยทำไมเขาไม่รู้ใจเราจริงน่าถามไหมว่าแล้วเรารู้ใจตัวเราเองหรือ ย, อยัง ต้องมันรู้ใจตัวเองให้มากๆนะมันถึงจะทำให้ความทุกข์มันคลี่คลายไปจากใจเราได้คนเราเนี่ยมักจะมองออกไปนอกตัวนะแล้วก็ลืมกลับมามองตัวเองเมื่อมองไปนอกตัวเราก็เลยไปโทษคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าทาให้เราทุกข์ แต่ก็ไม่ได้เฉลียวใจว่าเป็นเพราะใจของเรานะหรือเป็นเพราะเราต่างหากที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองหลวงพ่อชาท่านท่านเปรียบเทียบดีนะท่านบอกว่าเวลามีหลุมนะแล้วเราเอามือล้วงเข้าไปในหลุมเนี่ยถ้าหากว่า ล้วงไปไม่ถึงก้นหลุมเนี่ยเรามักจะพูดว่าหลุมลึกหลุมมันลึกนะแต่เราไม่ค่อยบอกหรือไม่ค่อยคิดเลยนะว่าเออมันเป็นเพราะว่าแขนเราสั้นไปหรือเปล่าเราก็ได้จะบอกว่าหลุมมันลึกหลุมมันลึกนะแต่ไม่ค่อยนึกเลยนะว่าเป็นเพราะแขนเราสั้นต่างหานะเราไปโทษหลุมนะไม่โทษตัวเองหรือเหมือนกับเวลาเราแบกชิ้นนะ แบกหินหนักๆเนี่ยเรามักจะโทษวานนี้โหที่มันเหนื่อยเพราะหินมันหนักนะแต่เราไม่ค่อยถามตัวว่าเออแล้วเราแบกมาทำไมนะแบกทำไมเราโทษแต่ว่าหินมันหนักหินมันหนักนะนะเขาพูดไม่ดีกับเรานะเขาว่าเรานะแล้วเราก็ไปโทษเขาว่าเขาพูดอย่างนั้นไม่ดีกับเรา แต่ไม่เคยถามตัวเองว่าแล้วเราไปสนใจคาพูดเขาทำไมเราเอาคาพูดเขามาทิมแทงจิตใจเราทำไมในเมื่อเขาพูดไม่ดีกับเรานะก็อย่าไปสนใจสนะิในเมื่อหินมันหนักก็อย่าไปแบกสินะแล้วถ้าแบกนี่จะโทษไทยนะเราไม่กไม่ค่อยมองมาที่ตัวเองนะแต่ไปโทษหินไปโทษหลุม หินมันหนักลุมันลึกนะเราลองนะกลับมามองตัวเองดูบ้างนะสร้างนิสัยใหม่คือกลับมาย้อนมองตัวเองกลับมาทักทวงตัวเองทักทวงใจตัวเองนะโดยเพราะเวลามีความทุกเนี่ยนะถ้าเป็นความทุกใจเนี่ยให้กลับมามองที่ตัวเองว่ามันทุกเพราะเราไหม นะและถ้าสาเป็นจริงๆก็จะเพราะโอมันเป็นที่ใจเราความทุกข์ใจนี่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะที่ใจเราอย่างเดียวนะแต่มันเกิดเพราะใจเราวังไม่ถูกด้วยนะถ้าเป็นความทุกข์กายก็อีกเรื่องนึงนะอาจจะเกิดจากาหินอาจจะเกิดจากแก้วอาจจะเกิดจากไฟอาจจะเกิดจาก อินฟ้าอากาศอาจจะเกิดจากคนอื่นมาทำมาทำร้ายแต่ถ้าทุกใจแล้วเนี่ยนะไอตัวการสำคัญเนี่ยคือใจเราใจที่ยึดมั่นถือมั่นใจที่ไม่มีสตนะิใจที่ไปหลงแบกหินเอาไว้ทั้งที่น่าจะปล่อยพวก็นคือใจที่มันมี กิเลสมีตัณหาอุปาทานนะใจที่หลงนะหลงลืมนะมันคืค่าเหมือนคนละเมอนะคนละเมอแล้วก็ไปไปแบกเอาหินนะแล้วก็ในฝันก็สู้เลยมั น, ม, นมันทุกข์เหลือเกินนะในฝันนี้รุกสึ ม, กสมันก็ว่าแบกอะไรแบกโลกทั้งโลกไว้ทุกข์มากเลยนะ ที่ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าไปแบกมันเอาไว้แล้วที่แบกไว้เพราะอะไรเพราะว่าละเมอเพราะว่าหลงนะคนเราส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะคือถ้าไม่หลงก็ไม่แบกหรอกนะตั้งที่แบกทำให้ทุกข์นะแต่ว่าก็ยังยังแบกมันเพราะความหลงความลืมเหมือนคนที่หนีไฟนะบ้านไฟไหม้ก็พยายามขนข้าวขนของ เห็นอะไรใกล้ตัวก็แบกเห็นโอง่งนะคนสมัยก่อนนี่เขามีโอง่งเก็บน้ำเห็นโอง่งก็แบกโอง่งไปเลยวิ่งหนีออกจากบ้านหนะนักก็หนักนะแต่ว่าความตื่นตรงใจมันทำให้ลืมตัวนะพอวิ่งหนีไปได้สักพักไกลจากอันตรายแล้วเออกลับมารู้ตัวใหม่ก็ถึงค่อยรู้ว่าโอ้เป็นเพราะแบกโอง่งเอาไว้นะ อย่าไปโทษว่าโอ้มันหนักนะแต่โทษว่าต้องถามว่าทําไมไปแบกมันทําไมคนเรานี่ถ้าเราถ้าตั้งคำถามไม่ถูกนี่มันทุกข์นะแต่ถ้าตั้งคำถามถูกนี่มันช่วยทําให้เราเห็นที่มาของความทุกข์แล้วก็สามารถที่จะหลุดหรือปล่อยความทุกข์ได้มีหลายคนเนะี่ยเวลามา มาหาหลวงพ่อคำเขียนนะหลวงพ่อก็ท่านก็แนะนําให้ให้ปฏิบัติให้เจริญสติเขาบอกเ้าไม่มีเวลาไม่มีเวลาปฏิบัติทำนะหลวงพ่อก็จะถามว่าแล้วทําไมมีเวลาโกรธทํำไมมีเวลาทุกข์นะมีเวลาทุกข์เป็นวันวันมีเวลาโกรธเป็นเป็นเดือนเดือเลยนะเรามีเวลาทุกเวลาเศ้านี่เรียกว่า มากมายทีเดียวแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ประหยัดเวลาเลยนะกับความทุกข์นะในเมื่อมีเวลาโกรธมีเวลาทุกทําไมถึงไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมนะนะลองถามงี้ดูเองบ้างนะถามตัวเองดูบ้างนะว่าทําไมเรามีเวลาโกรธทําไมเรามีเวลาทุกแต่ทําไมไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมนะ ทำไมมีเวลาเยียวยาจิตใจตัวเองในเมื่อมีเวลาโกรธได้เป็นวันๆนะก็ต้องมีเวลาปฏิบัติธรรมานาะที10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะที่จริงคำถามที่ว่าเนี่ยทำฉะไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากรษชัดกัเราได้เนี่ยมันยังมีในยะอีกอย่างหนึ่งนะก็คือว่าความทุกข์เนี่ยถ้าจะ ถ้าอยากจะให้หมดไปนี่มันต้องลงมือทำนะมันต้องลงมือทำทำด้วยตัวเองไม่ใช่ไปหาสิ่งเสพมาบรรเทาทุกข์ถ้าได้ไปดูหนังได้ฟังเพลงฉันยังจะหายทุกข์ได้กินเหล้าฉันจะหายทุกข์นะมีเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยหายทุกข์นะเสพเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยหายทุกข์จนกว่าจะลงมือทำนะเสพกับทำไม่เหมือนกันนะ เสพนี่มันแค่มีเงินก็ไปหามาได้ละวเสพนี่มันไม่เหนื่อยนะยุคนี้เป็นยุคบริโภคนิยมก็เน้นที่การเสพการบริโภคเพราะเชื่อว่าถ้าเสพมากบริโภคมากมีมากจะทําให้หายทุกข์แต่จริงไม่ใช่หรอกความทุกข์มันจะหมดไปได้ก็ต้องลงมือทําซึ่งก็หมายอีกแง่หนึ่งว่าไม่สามารถจะอ้อนวอนร้องขอใครได้ บนบานสารกล่าวเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยฉันหายทุกชอ้อยฉันมีแต่ความสุขความเจริญเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่มันต้องลงมือทำนะทนาฉัไหนการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้คือมันจะหมดทุกดาลต้องล ง, ลงมือทำนะไม่ใช่เพราะมีนะไม่ใช่เพราะได้และทําที่ไหนก็ทําที่ใจเนะีย เริ่มแต่การรู้จักทักท้วงใจตัวเองเวลาทุกข์เวลาบนวอยวายตีโพยตีพายนะรู้จักถามถามให้ถูกถามให้เป็นถามคําถามที่ดีมันจะเป็นการทักท้วงตัวเองไปในตัวนะแล้วก็หมั่นดูใจของตัวเองอยู่ บ, บ่อยๆอยู่ บ, บ่อยๆอย่าอย่าปล่อยใจให้หลนห่นหายไปถ้ามันหล่นหายไปเมื่อไหร่ก็พาใจกลับมาหาใจให้เจอ การภาวนาเนี่ยคือการที่ควานหาใจให้เจอแล้วพ่าใจกลับมากลับมาสู่กายกลับมาสู่บ้านกลับมาสู่ตัวเองให้กลับมาอยู่กับความรู้น้รู้ตัวหรือกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็จะเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นอันให้เราหมันนะหมันกลับมาดูใจขงเราบ่อยๆนะ ที่เรามาเจริญสติกันเนี่ยก็เพื่อฝึกสร้างนิสัยที่จะหมั่นดูจิตดูใจอยู่เนืองๆไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะลืมเมื่อไหร่ก็หามันทันทีเลยไม่ปล่อยให้มันหลงจมหายไปนะในกองทุกข์เอาละชาอนนี้ก็พูดกันเท่านี้อ่ะ